ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังธรรมะเรื่องแก้ไขวิญญาณผู้หญิงโดยสมณะซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่สามมีนาคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ มีคำถามอยู่ใบหนึ่งบอกว่าอยากให้อธิบายเรื่องปุริสภาวะกับอิทธิภาวะทำอย่างไรจะเอาชนะความเป็นอิทธิภาวะได้อัตมาก็เคยพูดไปพอสมควรนะเรื่องปุริสภาวะกับอิทธิภาวะ รู้สึกจะเคยพูดมากๆอยู่ในเรื่องของอกุณาราชาดกเพราะว่าเรื่องนั้ น, นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจา้าท่านตรัสถึงเรื่องอิทธิภาวะคำว่าอิทธิภาวะก็ถ้าแปลตามตัวตั ว, ตวอักษรเนี่ยภาวะก็แปลว่าสภาพเนี่ยแหละหรือว่าลักษณะเนี่ยอิทธิภาวะก็คือลักษณะของผู้หญิง ส่วนปุริสภาวะก็คือลักษณะของบุรุษปุริสะเนี่ยก็ของบุรุษหรือว่าของผู้ชายอันนี้แปลาตามตัวอักษร น, นะแต่ถ้าโดยเราพูดพูดโดยภาษาธรรมะพูดให้มันพิสดารยิ่งขึ้นปุริสภาวะเนี่ยคือภ า, าวะของบุรุษอาตมาเคยใช้ว่าเป็นเราถือว่าเป็นภาวะที่เด่น เป็นภาวะที่ดีเป็นภาวะที่สูงนะสูงกว่าอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นปุริสภาวะส่วนสภาวะไหนที่เป็นอิทธิภาวะเนี่ยเราเราถือว่าเป็นสภาวะที่ด้อยกว่านะที่ต่ากว่าที่สู้ไม่ได้นะเราถือว่าเป็นภาวะอย่างของผู้หญิงหรือของอิทธิภาวะและสังเกตไม่ใช้คำว่า ภาวะเหมือนกับเหมือนกับเป็นสภาวะจิตเป็นสภาวะเป็นนามธรรมนะโดยที่ไปเอารูปประธรรมเนี่ยมาเป็นตัวกาหนดแต่โดยความเป็นจริงแล้วนะถ้าเราพูดโดยสภาวะเนี่ยเราไม่ได้กาหนดที่รูปภายนอกละถ้าภายนอกเนี่ยบอกว่านี่เป็นผู้ชายนี่เป็นผู้หญิง เ, เราเข้าใจแหะเรารู้ละ ว่ารูปร่างอย่างนี้เป็นผู้ชายรูปร่างอย่างนี้เป็นผู้หญิงนาะแต่อันนั้นโดยเปลือกเปลือกหรือโดยทั่วๆวไปซึ่งก็ถือว่าถือว่าเป็นปุริสภาวะกับอิทธีภาวะอย่างหนึง่งแต่อันนั้นนะ่ยยังไม่ใช่เป็นตัวเป็นตัวหลักสำคัญหรือว่าเป็นเป้าหมายที่ที่ชัดเจนถ้าหลักสำคัญหรือเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยต้องพูดไปถึง สภาวะของจิตใจหรือจิตวิญญาณข้นข่าวนี้ถ้าเราเราใช้คําว่าบางทีโอ้คนเนี้ยอิทถีภาวะจังเลยสมมติพูดอย่างนี้นะพูดเป็นสภาวะเป็นนามธรรมละหมายถึงว่าโอโหคนเนี้ยไม่เกี่ยวว่าเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงแต่มีอารมณ์มีสภาวะจิตใจที่โอ้ยยั ง, ย, งยังต่ำยังยังด้อยยังไม่สูง เราเราเราเรียกอย่างนั้นว่าเป็นอิทธิภาวะส่วนสภาวะที่เราถือว่าดีถือว่าสูงกว่าแล้วถือว่าปฏิบัติได้เหนือกว่านะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงคนนั้นจะมีร่างเป็นผู้ชายก็ตามหรือว่ามีร่างเป็นผู้หญิงก็ตามถ้าใครเนี่ยสามารถปฏิบัติสภาวะอย่างนี้ได้ที่ดีอย่างนี้ได้ก็ถือว่าเป็นปุริสภาวะ เป็นภาวะแบบผู้ชายอันนี้พูดมาถึงตรงจุดนี้นี่พอจะเข้าใจบ้างไหมว่าว่ามันถ้าเราพูดแค่เป็นเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณเนี่ยจะไม่เกี่ยงเรื่องของรูปภายนอกวพระะนั้นผู้หญิงบางคนจะมีสภาวะเป็นปุริสภาวะได้ไหม ได้พูดอย่างนี้ไม่ใช่แปลว่ากะเทยนะเข้าใจใช่ไหมกะเทยก็คือบางคนมีร่างเป็นผู้หญิงแต่เป็นไงจิตเป็นแบบแบบแบบผู้ชายที่ที่เราเรียกกันว่าทอมว่าอะไรพวกเนี้นะพวกพวกที่มันรักกะเพศอะ่ะคือคือเพศที่มันยังไงผิดปกติอะ่ะ มันไม่ถูกต้องตามตามอะไรอะ่ะตามคุณสมบัติที่พึงจะมีเพราะว่าอันนั้นเนี่ยไปไปยึดกันแต่ร่างกายไงเข้าใจไหมว่าถ้าเป็นผู้ชายคนไหนก็ตามถ้ามีร่างเป็นผู้ชายถ้าคุณยึดแต่ข้างนอกเนี่ยบอกว่าเมื่อร่างเป็นผู้ชายแล้วจิตวิญ ญ, ญาณก็จะเป็นแบบผู้ชายทั้งหมดไปด้วยถูกไหมแต่ไม่อะ่ะผู้ชายบางคนก็เป็นไง โอโหอิทธิภาวะมากมีนิสัยเหมือนผู้หญิงอะเยอะเลยแต่ไม่ได้เป็นกะเทยนะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเป็นกระเทยนะแต่อิทธิภาวะมากยังมีนิสัยอ่อนแอบางทีจูจ้จีจ้จุกจิกอะไรลำคาญง่ายขี้โกรธง่ายอะไรง่ายแบบนิสัยผู้หญิงอันเนี้ยแม้ว่าจะมีร่างเป็นผู้ชายอย่างนั้นเราก็ถือว่าเนี่ยอิทธิภาวะมากยิ่งถ้าเป็นกระเทยคนนี้ ร่างเป็นผู้ชายก็จริงแต่จิตจิตใจแบบแบบเป็นผู้หญิงเลยอะ่ะเป็นนิสัยแบบผู้หญิงเลยที่ที่โดยโลกโลกโดยทั่วๆไปแบบธรรมชาติของผู้หญิงเลยถ้าอย่างนี้เราก็บิบลิตนะสภาวะจิตไม่ได้เป็นไปตามปกติโดยธรรมดาโดยธรรมชาติแล้วเป็นไปโดยอ่ การสั่งสมที่มีวิบากกรรมที่ไปสั่งสมมาเลยทำให้สภาวะของจิตใจกับของร่างกายมันไม่ตรงกันมันไม่ใช่ปกติเออถ้าถ้าได้ร่างเป็นผู้ชายโดยสภาพทั่วทั่วไปจิตวิญญาณก็ต้องโน้มไปในทางเป็นผู้ชายด้วยกันเออมันถึงจะถูกต้องได้ร่างเป็นผู้หญิง อย่างน้อยจิตวิญญาณทั่วไปก็ต้องเป็นธรรมชาติแบบของผู้หญิงอันนี้เราพูดโดยสภาพปกติธรรมดาธรรมชาติก่อนแต่ปรากฏว่าพวกที่วิปริตเนี่ยหรือว่าไม่ได้เป็นปกติเพราะฉะนั้นเขาจะได้ไม่ตรงกันอย่างนี้หรือแม้แต่คราวนี้พูดจากสภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองปกติทุกวันนี้ที่แม้แต่บางคนมีร่างเป็นผู้ชาย โดยสภาพทั่วไปคุณดูข้างนอกคุณก็เห็นเป็นผู้ชายนะแต่โดยบางทีเห็นไหมเรื่องของอารมณ์จิตใจที่แปรปวนบางทีผู้ชายยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายด้วยกันเรียกพวกไหนพวกนี้ฮะวพวกเกย์ก็ตามอาภาษาอังกฤษเขาเรียกพวกโฮโมเอโฮโมเซ็กชวลนี่นี่นี่วิปริตละ ทั้งๆที่จริงๆดูโดยภายนอ ก, กเออมันก็เหมือนผู้ชายปกตินีนะแต่โดยสภาวะจิตผิดปกติผิดปกติไปในทางกิเลสไปในทางกิเลสตัณหาอุปทานอะไรต่างๆอันนี้ผิดปกตินะเพราะการไปสังสมมาที่มันไม่ลงตัวรูปกับนามเนี่ยไปสังสมมาไม่ลงตัวเมื่อเขาตายแล้วในชาตินั้นๆ เสร็แล้วมาเกิดใหม่เนี่ยมันถึงเกิดสภาวะขัดแย้งอันนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรนะเออเบี่ยงเบนทางเพศคราวนี้ผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงที่ผิดปกติอะ่ะเกิดมาเป็นผู้หญิงใช่ไหมแต่อารมณ์ทางเพศที่ไปรักไปชอบแบบเพศเดียวกัน<ม>เยอะเนาะ<ม>เยอะมากด้วยอาตมาว่า เยอะมากยิ่งกว่าผู้ชายด้วยซ้ำไปทุกวันนี้โอ้โหแพร่กระจายนะจิตวิญญาณที่ปูยง่ายว่าที่บิเปริตไปในทางพวกนี้ผู้ชายผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงโอ้โหเกลือนเลยเกลือนจนคุณเห็นไหมล่ะสังคมทุกวันนี้บางทีเขามีเป็นขลับเป็นอะไรนะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเขาเขารับรู้กันเลยอะว่าที่นี้เป็นอย่างเนี้ย ทีนี้เป็นอย่างนี้คุณเข้าไปคุณต้องรู้ว่าที่นี่หมายถึงอย่างงี้ถ้าคุณเข้าไปโอ้โหเขามีเป็นสถานที่อย่างงี้เลยอาตมาไม่จําไม่ได้แล้วว่าเขาจะเรียกชื่อก็จะไงบ้างแต่มันมีเป็นอย่างนั้นเลยนะซึ่งโอ้โหเดี๋ยวนี้มันแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาไปไปแกล้งอยากจะไปเป็นนะพวกนี้เขาเป็นจริงๆนะคุณอันนี้เป็นผลจากวิบากกรรมที่ไปสะสม นะจิตที่มันมันวิปลิตเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีเป็นในชาตินี้มันสังสมมานะมันไปทําจิตเนี่ยให้ให้ให้เป็นอะไรอะ่ะแปลกแยกอะ่ะให้ให้จิตมันมันผิดแผกไปจากจากความจริงแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงของตัวเองอะ่ะอย่างเช่นเกิดมาได้ร่างผู้ชายแต่แต่ไม่ได้ยอมรับความเป็นจริงอย่างของร่างผู้ชายมันยังมีจิตที่จะไปเป็นแบบผู้หญิง อ่าอย่างเงี้ยคือมันมีผู้ชายที่กับผู้ชายกับผู้ชายกับผู้หญิงแม่พูดไปแล้วมันก็โอ๊บ้บ้าบ้บอมันเยอะนะถ้าเป็นเกรเขาก็เรียกว่ามีเกรคิงเกรควีนยุ่งไม่หมดเลยนะผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงที่วิปริตผิดไปเนี่ยก็มีทั้งทอมมีทั้งดีซึ่งอันเนี้ยอยู่ดีๆไม่ใช่เป็นแบบนี้ทั้งทั้งดีคราวนี้คุณดูนะได้ สภาวะมาเนี่ยได้ร่างกายขันนี้มันก็มีอยู่สองอย่างนะนะเป็นผู้ชายหรือไม่ก็เป็นผู้หญิงมันก็ได้มาอย่างนี้เท่านั้นแต่พอจิตเนี่ยมันไม่ผลิตมันไม่ลงตัวกับร่างที่ได้มาเอา้ามันก็กลายเป็นกระเทยเขาก็เรียกว่ากระเทยซึ่งอันนี้เกิดจากการสั่งสมนะยอมรับความจริงไหมแล้วก็ปฏิบัติให ให้ตรงกับความจริงของตัวเองที่มีไหมเมื่อถ้าเกิดมาแล้วชาตินึงชาตินึงเนี่ยเราไม่เข้าใจการยอมรับและการปฏิบัติให้เป็นไปตามสภาวะความจริงนั้นคนนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจของตัวเองได้เมื่อไม่สามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้พูง่ายมันเป็นไปตามแรงของกิเลสตัณหาอุปทานอะไรต่างๆที่ตัวเองเนี่ยอยากได้อยากมีอยากเป็น มันเอาความอยากเอาความปรารถนาของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่แล้วก็ทำไปตามความข้ายอยากของตัวเองไม่ฝึกที่จะฝืน บ, บังคับอารมณ์จิตตัวเองไม่ให้เป็นไปตามใจอยากอย่างใ้ทางไม่ดีนะอันเนี้ยอยากที่มันทำให้เลอะเลอเถอะเมื่อบังคับไม่ได้ก็ปล่อยใจยอย่างนี้ไปเรื่อยปล่อยใจยอย่างนี้ไปเรื่อยเสร็จแล้วปรากฏว่าร่างที่ตัวเองได้เนี่ยมันไม่มันไม่ม ตรงไม่เข้ากับสิ่งที่ตัวเองอยากปรารถนานั้นมันก็จะขัดแย้งอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาบางทีได้ล่างผู้ชายเอาแต่อยากอยากในลักษณะแบบผู้หญิงเอาบางทีได้ล่างผู้หญิงแต่อยากในลักษณะแบบผู้ชายเอามันก็จะคุ้มคลั่งฟันเ ฟ, นฟือนอยู่ตลอดเวลามันไม่ลงร่องลงช่องคือรูปกับนามเนี่ยมันไม่ลงรับกันได้สักทีหนึ่ง อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีปัญหาไปเรื่อยๆแล้วคุณคิดดูนะถ้าเกิดมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีจิตเป็นอย่างนี้เนะี่ยอาตมา ถ, ถามคุณหน่อยฮะถ้าไม่ปรับจิตไม่แก้จิตไม่ฝืนบังคับจิตให้ให้ให้เข้าสู่ล็อกของมันเนี่ยให้เข้าสู่แนวทางที่ถูกต้องของมันแล้วคุณว่าชาติต่ อ, ต, อต่อไปอมันจะหายเองเหรอถามคุณว่าจิตวิญ ญ, ญาณอย่างเงี้ยมันจะหายเองไห มันไม่หายนะจิตปิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าคุณต้องฝึกฝนเองคุณต้องบังคับเองคุณต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจของตัวเองนะถึงจะหายอยู่ดีเนี่ยจะให้คนโน้นมาบอกมาสอนมาแนะแล้วก็ให้ให้แก้นะให้ปรับนะอย่างเงี้ยอย่างนี้เกิดเป็นผู้ชายก็ให้คุณนุ่งห่มเป็นแบบผู้ชายเกิดเป็นผู้หญิงก็ให้คุณนุ่งทําตัวแบบผู้หญิง และจิตมันไม่ไปนะถ้าคุณบังคับไม่ได้มันเยอะแยะเลยที่บางทีตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเริ่มเห็นแววล้วพ่อแม่ก็เลยโอ้โหหาทางแก้ไขหาทางที่จะอะไรอ่ะไม่ให้เป็นโอ้โหเขาป้องกันกันเต็มที่เลยป้องกันยังไงป้องกันยังไงป้องกันยังไงเนี่ยถ้าจิตของคนนั้นเนี่ยมันไม่ยอมไปตามนะเดี๋ยวมันก็ไม่เป็นตอนเด็กเดี๋ยวมันโตขึ้นโตขึ้นมันก็ไปเป็นตอนโต ตัจรก็ทั้งหนักเข้าหนักเข้าวิทยาการทุกวันนี้มันมันล้ำหน้าใช่ไหมก็เป็นยังไงผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายก็พาตัด <c oughs> แปลงเพศเอาอแล้วก็ไอ้าตัดแปลงเพศเนี่ยมันมันแก้จิตได้หรือเปล่ามันแก้จิตไม่ได้นะคุณอเพราะฉะนั้นแล้ว ปัญหาอันนี้จะแก้ได้ที่จิตวิญญาณหรือที่จิตใจต้องต้องฝืนต้องบังคับมันให้ได้ต้องแก้ได้อาตมาเคยพูดถึงว่าบางคนเนี่ยเกิดมาชาตินี้เป็นผู้หญิงมีทุกข์มีอะไรมากมายกายกองนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกโอ้มีทุกข์ห้าข้อนะที่ผู้ชายไม่ต้องไปทุกข์ด้วยนะ แต่ผู้หญิงต้องทุกโดยสภาวะสรีละร่างกายของผู้หญิงเนี่ยจะต้องทุกปรากฏว่าอา้าวอาจจะพอจะรู้ทุกตัวเองแล้วจาได้ไหมห้าข้อมีอะไรบ้างเนี่ยหนึ่งจะต้องมีประจำเดือนนี่ก็ทุกข์ทรมานเนี่ยยิงผู้หญิงอาจจะมาเคยพูดเรื่องนี้ว่าโอ้โหผู้หญิงทุ ก, ทกวันนี้ทรมทรมานกว่าผู้หญิงสมัยก่อนสมัยโบราณเขาก็มีใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของผู้หญิง แต่ผู้หญิงสมัยก่อนปวดหัวตัวร้อนไม่เหมือนผู้หญิงทุกวันเนี framework. ้ผ well, cool ู <S <S ้หญิงทุกวันนี้พอเวลามีโอ้โหปวดหัวตัวร้อนหนักเพราะว่าสภาวะจีนมันอ่อนแอกว่าคนสมัยก่อนแล้วก็ไออุปทานอะไรต่างๆก็มากกว่ามันอ่อนแอกว่าคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนนี่เขาเป็นเขาอดทนหรือว่าเขาก็ข่มฝืนเขาก็อะไรไปนะเขาก็ไม่เท่าไหร่หรอก แต่ทุกวันนี้เนี่ยมันมันสภาวาจิตมันอ่อนแอลงความกลัวมันมากขึ้นนะมีขึ้นมานี่ทุกวันนี้จะต้องโอโหอะไรมียาให้กินบ้างมีอะไรบ้างโอ้แก้สารพัดแล้วบางคนปรบเป็นขึ้นมาทำอะไรไม่ได้เลย <c oughs> ล้มหมอ น, นอนเสืออะไรไปเลยเนี่ยแค่แค่เรื่องนี้นะเนี่ยนี่ก็เป็นทุกข์ของผู้หญิงเอาล่วอะไรอีกเอาอย่างที่สองนะ แต่งงานแต่งการเอผู้ชายก็ต้องแต่งเหมือนกันนะแล้วมันทุกข์กลางกันยังไงเออนะเขาแต่งงานนี่มันก็เหมือนกับว่าแหมต้องไปรับใช้ต้องไปอะไรต่างๆนานานานะเขาเขาชอบจะถือว่าอะไรผู้ชายเป็นใหญ่ใช่ไหมผู้หญิงเป็นรองทุกวันนี้ก็เลยผู้หญิงก็เลยพยายามเรียกร้องสิทธิสตรีให้มากขึ้นที่เขาชอบไปถ่ายรูปมาว่าอะไรนะ ผู้ชายยืนฉี่ได้ผู้หญิงก็ยืนฉี่มั่งเออแหมนะไอ้จะมาว่าไอ้อย่างนี้ไม่ต้องไปเรียกร้องมันหรอกนะไอ้แบบเนี้ยเนะี่ยเออไอ้เรียกร้องสิ่งที่มันควรจะเรียกร้องดีกว่านะไม่ใช่แบบเอาผู้หญิงมาแบบเป็ น, นทาสใช่ไหมโอ้โหจะต้องเป็นอะไรอะ่ะการรับใช้หรือออกกฎหมายอะไรมาที่มันข่มเหงมัน บีบคั้นบังคับผู้หญิงเอาเปรียบผู้หญิงเอออย่างนั้นกนะ็ควรแก้ไขแต่ที่มันเป็นธรรมชาติแบบนี้โถเอ้ยไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปอะไรหรอกนะเอาสองอย่างละสามอะไรอา่าตั้งท้องอันนี้ก็ผู้หญิงก็ลำบากกว่าผู้ชายแล้วตั้งท้องนี่ก็เสี่ยงตายนะระยะเวลาประมาณเก้าเดือนนี่ก็เสี่ยงเสี่ยงไปเรื่อยๆ ผู้ชายมันก็สบายมันก็ไม่คิดอะไรอันนี้พูดโดยสรีละพูดโดยโดยที่ให้คุณเห็นนะว่าคนที่ได้ร่างมาเป็นบุรุษกับคนที่ได้ร่างมาเป็นสตรีเนี่ยคุณเห็นเห็นหรือยังว่ามันเป็นปมดอยเออเป็นปมเด่นแหมจะพูดพร้อมกันนะเด่นกับดอยจะพูดพร้อมกันเลยเป็นปมดอยไปเลยก็จะเห็นเลยแค่เรื่องสรีระร่างกายเนี่ยเห็นไหมผู้ชายมันก็ถือว่า ได้ร่างที่พูดง่ายว่าโชคดีกว่าที่จะเป็นแบบของผู้หญิงอันเนี้ยคุณจะไม่ยอมรับคุณจะไปดิเซคุณจะยังไงก็แล้วแต่แต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงนะถึงถึงบอกว่าไ้มาปุริสภาวะมั น, ม, นมันเหนือกว่าอิทธิภาวะอย่างนี้อ่านี่โดยสรีละนะเนี่ยผู้ชายก็ไม่ต้องมาตั้งท้องอ่าเสร็จแล้วคลอดลูกอ่คนนี้สี่แล้วนะ โอ้โหลำบากมากผู้หญิงเนี่ยบางทีตั้งท้องอาจจะยังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ตอนคลอดลูกบางคนจะกลัวมากแต่ก่อนก็กลัวน้อยกว่านี้ใช่ไหมบางทีเขาโอ้ยคลอดจนเองทากันเองง่ายๆไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องไปฝากคันไม่ต้องไปหาหมออะไรมากมายใช่ไหล่ะ คือคือคือเหมือนสัตว์โลกทั่วๆไปที่ที่อ่าวตั้งท้องแล้วก็ธรรมชาติมันก็คอดของมันเองไม่ต้องมาวีใครอะไรน้ำก็ช่วยตัวมันเองไปก็จบสัตว์โลกมันยังไม่พัฒนามันก็ยังส่วนใหญ่มันก็ยังตัวมันเองไปอย่างนั้นยกเว้นมาสัตว์โลกที่โดนคนเอามาเลี้ยงแล้วนะทุกวันนี้เคยเห็นไหมเนี่ยตามสวนสัตว์ตามอะไรต่างๆนี่โอ้โหมันชักไม่เป็นเหมือนกันนะ ไปดูเอาสิมันชักไม่เป็นเหมือนกันนะจะขอดอลูกจะอะไรมันชักทำไม่เป็นเหมือนกันนะตัวเองเพราะว่าอะไรพะคนมันไปช่วยมันหมดแล้วทีนี้ก็คือคือคนเราเนี่ยพอเลี้ยงสัตว์แล้วก็ทาสัตว์เหมือนกับคนคนเป็นยังไงก็สัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงก็จะเข้าสู่สภาวะอย่างเดียวกันเพราะนั้นก็เลยไม่เข้มแข็งไม่อดทนเหมือนคนเด็ ก, ก่อน ดูแม้ที่ตอนนั้นเมื่อไม่นานมาเขามีเอาเอาใคามีคนในเมืองเนี่ยไปแต่งงานกับอพวกคนป่าชาวอะไรนะเจาะใจะใช่ไหมที่เขามาฉายให้ดูเผาอะไรนะเผาสาไก่เหรอป า, ากฏดว่าท้องเสร็จไปคลอดเองทำเองเสร็จหมดเรียบร้อย โอ้นี่ขนาดยังอยู่ในยุคปัจจุบันเหล่านี้ใช่ไหมแต่เขายังยังมีชีวิตยอยู่เหมือนกับเหมือนกับสมัยโบราณสมัยก่อนจะเห็นได้เลยเพราะอันเนี้ยแม้แต่ผู้หญิงสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็ยังต่างกันอา้อาแล้วก็อันนี้เรื่องของคอดก็โอ้โหลําบากเกียนตายอยู่แล้วสุดท้ายคืออะไรสุดท้ายนี่ก็ถือว่านี่แหละนะทั้งจะต้องจากบ้านช่อง ใช่ไหมจากญาติพี่น้องจากพ่อแม่ซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ก็แล้วแต่บุคคลนะแต่ที่แน่แน่คราวนี้เหมือนกับเป็นเครื่องบําเลอเพื่องเหมือนกับเครื่องบําเลอของผู้ชายเพราะผู้ชายไม่ต้องตั้งท้องเองไม่ต้องอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็เลยอันเนี้ยเป็นตกเป็นเบี้ยล่างเพราะฉะนั้นแล้วทําแล้วก็ทิ้งก็ได้ผู้ชายมันก็ไปไหนของมันตามเรื่องตามราวแต่ผู้หญิงโอ้โหต้องมาอุ้มทองต้องมาตั้งทองต้องมาคลอดลูก เนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างนะเขาถึงบอกว่าข้อนี้ก็เหมือนกระตกเป็นเครื่องบำเรอของฝ่ายชายเขาเนี่ยก็เป็นทุกหข้อที่พระเจ้าท่านตัดเพราะฉะนั้นจะให้เห็นเลยแค่อย่างนี้เราก็เห็นแล้วนะว่าโอ้โหโดยสรีละโดยร่างกายโดยบางทีแม้แต่ไอจารีตประเพณีวัฒนธรรมโดยรวมๆมนะส่วนใหญ่ ผู้ชายก็จะได้เปรียบกับผู้หญิงเพราะนั้นถึงให้เห็นเลยเนี่ยยิ่งคราวนี้อาจารมาบอกแล้วนะทางกายหรือว่าทางจิตใจทั่วๆไปก็พูดให้คุณฟังใหพ้พวกคุณพอเข้าใจมาขนาดหนึ่งแต่คราวนี้จะพูดถึงสภาพพวกเราปกติแหละโดยเฉพาะบางคนมักจะบางทีถามพ่อท่านบ้างแล้วก็ใจเราก็อยากเองบ้าง หลายคนเนี่ยอยากจะเกิดเป็นผู้ชายที่เป็นผู้หญิงอยู่ยนะอยากจะเกิดเป็นผู้ชายเพราะว่าพอมา ป, ปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเป็นผู้ชายมันสะดวกสบายกว่าใช่ไหมมันดีกว่าแล้วก็อิสระเส ร, รีหรือว่าการจะปฏิบัติธรรมแม้แต่เอาจริงๆเนี่ยบวชเนี่ยภิกษุก็ได้ภิกษุณีก็ได้ใช่ไหย แต่คุณดูจากสภาพความเป็นจริงสิพอเป็นภิกษุก็จะบวชง่ายกว่าใช่ไหมเป็นภิกษุณีก็โหบวชแสนยากเย็นนี่เมืองไทยยังจะไม่ค่อยยอมรับสักเท่าไหร่เลยด้วยซ้ํำไปแล้วคุณดูสิที่พระเจ้าท่านบัญญัติหรือกําหนดไว้บวชเป็นภิกษุณีขึ้นมาแล้วจะร้อยร้อยปีสมมุติว่าร้อยพรรษาแล้วร้อยพรรษาก็ตาม แต่ภิกษุบวชขึ้นมาวันแรกเท่านั้นเองอ่ะโอ้ภิกษุนีต้องไปกราบก็ดูเอาก็แล้วกันนี่นี่ขนาดในในในศาสนาเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยบางทีพวกเราปฏิบัติเราก็จะเห็นสัจจะเห็นความจริงอันเนี้ยชัดเจนมากกว่ากว่าคนภายนอกที่ไม่ค่อยปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะยิ่งใครศึกษาไปถึง ที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไล่มาเลยโสดาบันเป็นได้ด้วยกันทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงสกิทาคามีอนาคามีพระอาหารหันต์เป็นได้เหมือนกันหมดมแต่อะไรที่เป็นไม่ได้พระพุทธเจ้ า, จาหรือพระเจ้าจาั ก, กรพรรดิทั้งทางโลก ท, งทางธรรมเลยนะคือเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็น สูงสุดในทางธรรมแหละหรือเป็นจอมจั ก, กรพรรดิเนี่ยก็ถือว่าสูงสุดในทางโลกอันนี้เป็นคําตัดของพระเจ้าท่านบอกไว้เลยว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เป็นใหญ่ที่สุดทั้งทางโลกหรือทั้งทางธรรมนั่นแหละเพราะว่าท่านตัดไว้อย่างนี้แสดงว่าคําตอบก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนใช่ไหมละ่ะอันเนี้ยท่านกําลังบอกบอกให้เรา รู้ให้เราเข้าใจว่าถ้าคุณจะอยากประเสริฐอยากสูงสุดแล้วคุณต้องพูดง่ายหนึ่งต้องได้ล่างผู้ชายอ่าตอนนี้จะได้ล่างผู้ชายทํำยังไงเนะเดี๋ยวจะเกี่ยวกับปุลิสภาวะแล้วตอนนี้แต่ตอนนี้ก็ชาตินี้สมมุติว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วอะอ้าวถ้าคุณคิดแบบโดยทั่วๆไปว่าเอาเกิดเป็นผู้หญิงมันก็ต้องเป็นอิทธิภาวะไปสิ ถ้าคิดแบบนี้อัตมาทัตบอกว่าคิดแบบธรรมชาติไงคือถ้าได้ร่างผู้หญิงก็ต้องเป็นเป็นนิสัยแบบผู้หญิงไปสิใช่ไหมมันถึงจะ ถ, ถูกต้องเดี๋ยวได้ล่างผู้หญิงแล้วไปคิดจริตแบบผู้ชายก็วิปลาสจะดใช่ไหมมันไม่ใช่แล้วใ น, นข่าวนี้เพราะไอ้ที่เราบอกกันว่าวิปลิตวิปลิตอะไรส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นไปในทางกิเลสตัณหา อุปทานในทางที่มิจฉาทิฏฐิคุณฟังดูให้ดีๆนะคราวนี้ถ้าคุณแยกตรงนี้ไม่ได้แล้วก็คุณจะสับสนไปอยู่เรื่อยวันหลายคนที่อยากจะเป็นผู้หญิงคราวนี้คุณจะเป็นคือชาติต่อๆไปเนี่ยไม่รู้ละคุณจะได้ร่างบุชายในชาติไหนไม่รู้แต่คุณจะต้องสะสม บ, บุริษภาวะให้ได้คุณถึงจะได้ร่างผู้ชาย ใช่ไหมถ้าคุณร่างเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วคุณไม่สามารถสะสมปุริสภาวะปุริสัตภาวะเนี่ยภาวะที่ดีบอกแล้วที่ประเสริฐนะที่เป็นสัมมาทิสทิที่ถูกต้องเนี่ยที่ดีกว่าที่เหนือกว่าถ้าคุณสะสมสภาวะอย่างนี้ไม่ได้แล้วชาติไหนละคุณจะได้ร่างเป็นผู้ชายอะ่ะมันไม่มีทางได้สิใช่มแล้วคนที่เกิดเป็นผู้หญิงก็ต้องเกิดไปทั้งปีทั้งชาติ ชาติไหนก็ทำก็ต้องเป็นผู้หญิงตลอดไม่มีทางได้ได้เป็นผู้ชายเลยแล้วผู้ชายที่เกิดมาแล้วเป็นผู้ชายมันก็ต้องมีจริตนิสัยแบบผู้ชายใช่ไหมถ้าเอาโดยธรรมชาติเสร็จแล้วพอชาติต่อต่อไปมันก็ต้องได้แต่ร่างผู้ชายสาิถ้างั้นถูกกับป่ะแต่ไม่ใช่อไอ้ผู้ชายคนเนี้มันจะไปกลายเป็นผู้หญิงก็ได้ในชาติต่อต่อไปเพราะปรากฏว่าจากชาติที่มีมีมานี่ ไปสั่งสมอิทธิภาะวะมาเข้ามาเขา้ามาเขา้ามาเขา้ า, ขาอ่าไม่รู้ล่ะชาติไหนเมื่อไหร่ที่จะต้องได้ล่างเป็นผู้หญิงเป็นอิทธิเนี่ก็จะต้องเป็นไปตามวิบากรรมที่คนนั้นสั่งสมจิตวิ ญ, ญญาณเอาไว้ยังไงก็ต้องได้เป็นตามนั้นเพราะนั้นไม่แน่นอนนะบางทีได้ล่างผู้ชายบางใดล่างผู้หญิงบ้างไม่แน่นอนแล้วแต่ ยกเว้นเนี่ยมาบอกยกเว้นอาริยะบุคคลหรือผู้ที่ท่านสั่งสมมามาดีพอมามากพอจนกระทั่งเนี่ยท่านจะได้ล่างเป็นผู้ชายเนี่ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วก็ไม่ได้ไปตั้งจิตอะไรไว้นะ ท, ที่จะไปไปเอาล่างผู้หญิงมานั่นแหละก็จะได้เป็น บุริสภาวะไปเรื่อยๆไม่ว่าชาติไหน